ความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทท้านั้่ใตร่มประโพธิญาณกำลังนำเสนอถึงช่วงที่ผู้เจ้าทรงพิจารณาถึงบุคคลที่จะเสด็จไปโปรดเป็นคนแรกหรือจะต้องนึกว่าในขณะนั้นโรงก็มีประชนพรรษาแค่สามสิบหกตนแล้วก็อยู่ในท้องถิ่นที่ไม่ใช่มาตุภูมิของพระองค์ คือถ้าเราดูระยะทางจากกรุงกบิลพัทมาที่พุทยศรรูคือที่พุท ธ, ธกยาเนี่ยก็ไกลกันไม่เบาเพราะฉันคนในสมัยนั้นคนก็ไม่มากแล้วก็ไม่เป็นข่าวเป็นขร า, าวอะไรบางคนจะรู้ว่าพระองค์เป็นเป็นใครเนี่ยมีน้อยก็เห็นว่าเป็นนัก บ, บวชท่านเด็ก และการศัสรู้ก็ยิ่งไม่มีใครรู้ใหญ่เลยะเพราะว่าเป็นเรื่องภายในพระไทยของพระองค์คนที่จะรู้ก็เป็นผู้เท ว, วดาเป็นพรหมเป็นอะไรเนี่ยก็รู้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ก็ไม่มีใครรู้วันเมื่อตั้งพระไทยไว้จะไปโปรดท่านอาราบทกาลาโมโคธแต่ก็ทราบว่าท่านได ตายไปก่อนหน้านั้นถึงเจ็ดวันก็ทาให้ทรงดำริว่าท่านอาราบทการามโคตรประสบความเสื่อมใหญ่ถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้จะพึงรู้ทั่วถึงธรรมฉับพลันก็อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ามันเป็นเหตุผลของสังสารวัติแล้วก็เป็นเหตุผลของบารมีธรรมเป็นกระบวนการของกรรม คือคนที่จะเป็นภิกษุรูปแรกเนี่ยเขาสร้างบารมีมาเกศธัญญากลธัญญมันต้องลงตัวไปหมดแหละมันดูแล้วว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้มันมีอันเป็นไปจากนั้นก็ส่งดำริว่าองควรจะแสดงธรรมแก่ใครก็นึกถึงอาจารย์รูปที่สองคือท่านอุตตะดาบุรา ม, มาบุตร คุณสมบัติเป็นเช่นเดียวกันคือมีความฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีคือกิเลสในจกักษุน้อยแล้วก็เป็นเช่นนี้มานานเพราะว่าท่านอุตกะดาบทรรามบุตรเนี่ยได้เนวสัญญานาะสัญญายตนะฌานนะเป็นรูปฌานที่แปดคือได้สมมาบัตแปดในความรู้สึกของท่านเนี่ย ไอสิ่งทั้งหลายในโลกนี่มันมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เรียกนีวสัญญาาสัญญานะ ญ, ญาตนะคือมีความรู้สึกว่ามันมีก็ไม่เชื่อไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิง อ, อุปมาเหมือนกับเราเราเอาน้ำล้างบาดนะะแล้วก็เทให้หมดเทแล้วอาจจะสะบัดด้วยนะครับถ้าเราถาว่าในบาทยังมีน้ำไหม้างคนก็บอกว่ามีก็ได้นะฮะเพราะมันยังเปียกอยู่ แต่เต้บอกว่าไม่มีก็ได้เพราะมันลืดไม่ได้เพราะในความรู้สึกต่อโลกต่อชีวิตของท่านที่จิตใจประณีตมันจะเป็นเช่นนั้นหรือมันลดความเป็นตัวเป็นตนลงไปเยอะก็มีความรู้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงทีนี้คุณสมบัติของท่านเนี่ยมันก็สงบลงไปลึก ก็แสดงว่าปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิหรือเกิดจากฌานตรงนี้นะก็มีกำลังมากก็ทาให้ท่านบริสุทธิ์จากกิเลสประเภทที่เรียกว่านิวนะเกิดขึ้นกลุ่มวมใจแต่ในที่สุดก็ทรงรู้ว่าท่านได้ตายไปก่อน แต่ก่อนเมื่อวานนี่เองนะฮะเมาความเมาก่อที่จะตัดสินพระไทยจะแสดงธรรมแสดงธรรมก็เดยวกว่าไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงตายไปก่อนนี่คือคื อ, ค, อคือเหตุผลของกรางรรสารวัตรเหตุผลในเรื่องบา ร, รมีธรรมคือคนบางคนเนี่ยเราลองสังเกตนะว่ามันไปอยู่ในจุดหนึ่งไม่ได้แม้ในวงการพระเรามีตั้งหลายรูป แล้วมาเวลาเจอเจอกันก็นกนมานั่งคุยก็ประรบกันหรือบางทีในท่านจอคิวจะเป็นสมเด็จระราชาคณะอยู่แล้วก็ผ่านแล้วด้วยนะะบางทีเนี่ผ่านแล้วด้วยไม่ทันได้ได้รับอะ่ะทันรีตายไปก่อนก็มีตำแหน่งคนอะไรต่ออะไรที่มันจะไปใหญ่ไปโตเนี่ยถัาเกิดตายไปก่อน ตรงนี้ที่เราเรียกว่ามัจจุมน์ที่ชัดเจนนะครับมานคือผู้ล้างผลาญผู้ฆ่าผู้ทำลายที่เราได้พูดมาก่อนหน้านั้นก็ส่วนมากจะเน้นที่เทวปุตระมานคือมานคือเทวดาที่ทำตัวเป็นผานลาญคอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นแต่ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีมัจจุมนมัจจุมนก็คือความตายที่เข้ามาฆ่ามาตัดรอนทำลายชีวิต ให้ไม่มีโอกาสมันน่าจะได้แต่ไม่ได้แนะม้แต่ระดับราชวงศ์ต่างๆเราลองสังเกตดูถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยไออุปราชเนี่ยไม่ได้เป็นก็จะเป็นดินไปสวรรคตแต่ก่อนก็จะเป็นดินที่วงคตแต่ก่อนก็จะเป็นดินก็แสดงว่าบารมีไม่ถึงอายุน้อยกว่าแต่บารมีไม่ถึง บารมีไม่คู่ควรต่อสเสวตฉัดอะไรต่ะหนี่ทีนี้อรานตะคุณเนี่ยมันสูงอรานตะคุณนี่ก็สูงกว่านั้นรางคนเมื่อต้องมีบารมีเบื้องหลังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันตรงนี้ค่อนข้างจะวิริยะวัดต่อนะคือว่ามันจะเป็นปฐมภิกษุหรือปฐมสาวกองคแรกเ น, นีคนก็สร้างบารมีมาแล้วท่านก็ เป็นผู้เท่านะฮะท่านท่านท่านอาลาบทาากลาหมโครุตกะดาบทรามาบุตรเนี่ยก็เป็นผู้เท่าก็เราดูท่านอัญญากนทัญญาถ้าเราลองนับคร่าวๆนะฮะลองนับอายุกันท่างคร่าวๆพอตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูตรเนี่ยท่านไปเป็นพราหมานพที่แตกฉาในในสจเพศเวททางกษัตริย์แล้ว แล้วก็ตอนพระพุทธเจ้าสัสรูเนี่ยสามสิบห้าปีเต็ม น, นะคิดว่าตอนนั้นท่านยี่สิบบวกกับสามสิบห้าก็เรียกว่าเป็นห้าสิบห้าแล้วก็เป็นปีที่พระเจ้าพระชันพระพันศาสามสิบหกก็สแสดงว่าท่านก็ต้องห้าสิบหกละทีนี้ท่านอาราบการกาลมโครุธกาดาบทราม บ, บุตรมีผุญอายุเยอะเพราะว่ามันอยู่มานานนะรุ่นครูบาอาจารย์ของท่าน อันยาคนอัญญาเช่นเดียวกันแต่ว่าในวัยของท่านอย่างหนึ่งแต่ว่าโอกาสเนี่ยโอกาสเนี่ยถ้าหากว่าท่านไม่ตายท่านก็คงจะได้ฟังธรรมฟังอาจจะฟังฟังตอนหลังอันญาคนอันญาก็ตามแหละแต่ว่าเขาคงจะได้ฟังเพราะว่าอะไรคือจิตใจท่านอ่อนโยน ตอนที่พระโพธิสัตว์ไปลาออกจากสำนักเนี่ยท่านมีความรู้สึกดีมากแล้วก็ปรารถนาที่จะสนับสนุนให้พระโพธิสัตว์นี่อยู่เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ด้วยกันซึ่งมันมันไม่กระด้างมีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกเป็นมิตรจิตใจถ้าไม่กระด้างตอนถ้าพระเจ้าเสด็จไปโปรด แล้วก็ในช่วงโน้นนะฮะก่อนด้านนั้นแต่บรรจังหวะมันไม่ให้เราจะเห็นว่าเรื่องเรื่องจังหวะนี้ไม่ให้พอถ้าเราดูที่ท่านอารารดาบทเองนะฮะก็ท่านตายอยู่ในขณะพระพุทธเจ้าประทับสมัยมุติสุขอยู่ที่ต้นเกตที่ราชารัตนะสัปดาห์ที่เจ็ดก็มาสัปดาหที่แปดเนี่ย ต้นสัปดาห์ก็มาที่เนี่ยเจอกับท้าวสามบดีพรมเจอพยามาณเจออะไรแต่ไรเนี่ยมันสัปดาห์ที่แปดแล้วก็ยังไม่ถึงช่วงเวลาอย่างนั้นเด็กยังไม่ได้ตกลงตัดสินพระไถ่อะไรแต่ไรเลยแล้วอุตตะดาบทเองก็เหมือนกันก็ตายไปก่อนคืนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสินพระไถ่สอนธรรมะและเปิดประตูมตัตะตามคําำราตนาของท้าวสามบดีพรม ท่านก็ไปเกิดในภูมิโลกแต่ว่าเราก็เห็นชัดเจนนะว่ามัจจุมาเนี่ยสำคัญมากว่ายังไงยังไงเนี่ยโดยพื้นฐานของท่านที่ทรงเห็นมีความฉลาดเฉียบแหลมแล้วก็มีปัญญามากแบบกิเลสน้อยนะปัญญามากกิเลสน้อยเนี่ยมันพร้อมที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรม แต่วันในที่สุดตั้งก็ไปไม่ได้นั่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบว่าอุทกการะบทสิ้นชีพแล้วเมื่อวานนี้ทรงดำริว่าอุทกการะบทรามบุทนี้เป็นผู้มีความเสื่อมใหญ่เพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะบรรลุธรรมะได้จะรู้ทั่วถึงธรรมะ ทีนี้ประการต่อไปก็ก็ไม่มีใครเราต้อง น, นึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตอนตอนที่ประทับเสวยเสแวงหาทางจัสรู้เนี่ยทั้งส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ลําพังพระองค์ก็อยู่ในป่าแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับใครคนที่คุ้นเคยมากมันก็มีเนี่ยประมาณเจ็ดท่านเนี่ยคุ้นเคยมากแล้วนอกนั้นก็ไปพระเจ้าพิมพิสารไปก็จากจากนั้นก็ส่งดํานี่ว่า จะแสดงธรรมแก่ใครกดังนีต่อไปว่าภิกษุปัญญวัคคีมีอุปกรกณ์แก่เราได้บำบ u l o เราผู้ตั้งหน้าบําเพ็ญเพียรอยู่ถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญญวัคคีเสียก่อนตือปัญญวัคคีเนี่ยเป็นพวกลูกของพราหมณ์ที่ไปทํานายลักษณะของพระโพธิสัตว์ ตอนประสูตรใหม่ๆนะครับประสูตรได้ห้าวันระเจ้าสุตรโธตนาก็เชิญพรามร้อยแปดมาทานายลักษณะของราชกุมารซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วเนี่ยท่านอาสิดดาบททานายมาก่อนแล้วนะทานายราชกุมารผู้นี้เป็นมหาบุรุษที่เกิดมาจะมีคติเป็นสองก็ถ้าอยู่ครองคารวะจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทศเดชอัปนจะได้เป็นศาสดาเอกในโลก ในสุดก็คัดเลือกพรามโอพรามในคัดเลือกกันเองนะฮะคัดเลือกชั้นออง อ, อ์มาเลยเอาเจ็ดคนก็ให้ทำแปดคนนะให้มาทำนายละะนะักษณะโกโกนธัญญานี่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในแปดแล้วก็เป็นพรามหนุ่มมีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ตัวเองสูง คนอื่นเขาทำนายกติเป็นสองอย่างแบบอาศิตาบทั้งนายแต่ท่านเอาหนึ่งเดียวเลยนะท่านบอกว่าราชกุ ม, มารนี้ไม่บทไม่ไม่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิต้องเป็นหรวพ่อพระเจ้าเพราะทุกคนเชื่อ ม, มั่นนะเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้านั้นเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะเราจะลืมมาเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้านี่นเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ หมายความมาคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเพเห็นแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยคือบารมีเต็มบารมีของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่เกิดมาในชาติสุดท้ายเนี่ยจะ ต, ต้องเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้านั่นคือบทลงกัวเลยว่าถ้ายังเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้ายังไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าบารมียังไม่เต็มตงท่องเที่ยวอยู่ในสงสารวัติ ทีนี้ในฐานะของสังคมก็เกิดผลปติศสตธิคนในยุคนั้นเขาพบเห็นในขบวนโดยเสด็จนี่เขาพบเห็นว่าพระองค์เดินด้วยประบาดในเจ็ดเก้าอสิดาบทกาลเทวินถึงต้องลงมาจากภูเขาอิมาลายมันเป็นเรื่องใหญ่ฤาษีท่านมีญาณ น, นะท่านยางรู้ท่านมีญาณ โรคหมาเป็นเรื่องใหญ่นะเด็กเกิดคนเดียวนะฮะเรานึกระว่าเด็กเกิดคนเดียวถ้าว่าเรื่องปกติธรรมดาแล้วเนี่ยมันไม่ออกมาลนะักษณะอย่างนั้นใจยันหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในตำนานหมาปริษารลักษณะที่ยึดถือถ่ายทอดกันมาเป็นเวลานานได้เกิดแล้วก็มีการสังเกตเห็นว่าลักษณะเหล่านี้ยถ้าใกล้เคียงเนี่ยมันจะฉลาดผิดคน ฉลาดเป็นปกติธรรมดาแล้วก็มีข้อมูลสะสมสะสมอยู่ในหมู่พวกพรามได้มีการถ่ายทอดกันอยู่เพราะฉนคนในยุคตรงนั้นทำไมนั้นนะ่ะที่เห็นอจจจัศจรรย์ของพระราชกุมารเนี่ยอย่าลืมท่านรศดาบบทกาลเทวินดบทเนี่ยมันมีความรู้สึกคือราชกุมารลอยอยู่บนหัวท่านะ แล้วก็ถวายบังคมนะฤษีผู้เท่าหนวดงอกแล้วมาไวยเด็กเกิดไม่กี่วันนะตอนนั้นอย่างสองวันนั้นก็ได้มีความรู้สึกว่าตัวเอง่อยู่ไม่ทันเลยก็ไปสั่งลูกน้องสาวคนหนึ่งชื่อนาร ก, กะว่าถ้าราชกุมารสิทธาออกพอนวดเธอบวชตามเลยว่านารั ก, กะก็ ปฏิบัติตามคำสั่งของหลวง ก, ก็ต้องมาบวชตามเป็นพระยุคแรกเหมือนกันแล้วก็ บ, บรรดลคีนี้ก็คือพ่อก็สั่งไว้พ่อก็สั่งไว้ โ, โกลยยกลัญญานั้นคนเดียวคนลัญญานั้นก็คือเป็นผู้ที่รู้เห็นรู้จักราชกุมารมาแต่ต้นแต่ว่าว่าป่าพัทยามานามาสชีพเนี่ยเป็นพ่อก็สั่งไว้ คือพ่อจริงก็อยากจะบวชเองนะฮะแต่ว่าอายุมันไม่ยืนพอก็เลยก็สั่งลกูกเอาไว้ท่านทั้งห้านี้แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานบารมีก็ไม่เบาคือโดยเสด็จออกไปพนวดแล้วก็มีความเชื่อมัน่นโดยเฉพาะอันนี้คือเชื่อมั่นในบารมีไม่ใช่เชื่อมั่นในมาหาปริสามาหาปริสาลักษณะคือตํานาของพระามณ์เพราะว่าพวกนี้ไม่ได้เห็นตอนเดินด้วยประบัติในเจ็ดเก้า เดินด้วยระบาทเดชก้าโด ย, โด ย, ย, 79, โดยที่ลุมพินีวันแต่ว่ากุลธัญญะเนี่ยมาพบในวังเหตุการณ์นั้นก็ผ่านมาแล้วแต่ความเชื่อมันก็อยู่ในแนวของอัตติลรรมฐานนุโยกซึงถือว่าเป็นยุคที่ที่เต็มที่ด้วยกันทนะั้งสองฝ่ายนะยุคสมัยตรงนั้น คนที่มีความโน้มเอียงมาสังคมบริโภคหรือวัตถุนิยมก็มาแรงมาแรงหมดได้ยกว่าปนปปือเลยปนปลือจนสำลักนะจนสำลักกรมาคุณกันแล้วกันนะปนปลือกันเต็มที่รูปเสียงกลิ่นรสพลิตภัธรรมารมในอย่างดีเลยจนว่ามีปรัชญาที่มีการสั่งสอนกันมีการเน้นย้ำกันแล้วให้ความต้องการเกกับเรื่องนี้นะ เราไปดูวรรณกรรมก็ดีเราไปดูปฏิมากรรมก็ดีจิตจิตกรรมก็ดีะอะไรแต่อะไรเนี่ยนะมันจะหนักไปในเรื่องทางเพศนี่เยอะจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ยุคหนึ่งนี่มันหมกมุ่นกันขนาดนั้นแต่ว่ายุคที่ทรมานตัวเองคือถือว่า จิตจะเป็นอิสระใยการทรมานตนัวเองเนี่ยก็ก้าวหน้าไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่แนวก็ะตังหาบทกล า, ามาโคตรอุตตรกาต บ, บทรามาบทนี่ค่อน ข, ข้างกลางๆนะข้อมาทา ง, างกลางๆเพียงแต่ว่าไปยึดติดมาตรงนี้จบละมันก็ไปได้ครึ่งทางแต่กระทั่งก็บอกจบไปแล้วก็เลยไม่เดินก็แสดงว่าเป็นยุคสมัย ท, ที่ที่น่าศึกษา เฟื่องฟูในด้านจิตวิญญาณเฟื่องฟูในด้านวัตถุกรรมเฟื่องฟูในด้านจิตนิยมสุดขั้วนะฮะวัตถุนิยมสุดขั้วจิตนิยมสุดขั้วคือถ้าเรามามองสังคมเราในปัจจุบันเนียมีความโน้มเอียงไปทางวัตถุนิยมสุดขั้วนี่มากมากจนกลายเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วลองนึกดูว่ามนุษย์เนี่ย ตปมีความรู้สึกยังไงแค่ตัวเองจะอยู่สักกี่ล้านปีล่ะจะรวยไปทำไมนักหนาอะไรคนที่ผิดยาบ้ากันมาจำน่ายแล้วก็ให้ลูกไทยหลานไทยด้วยกันเนี่ยเอามาขายลูกไทยหลานไทยด้วยกันมันหาดูโขดไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแล้วบา ป, ปรกรรมเนี่ยอเนกนันไดเกิ น, น, น, เ, กนเราเห็นอันตรายจากคนที่ ร่างยาบ้าเนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวให้ได้เห็นได้ยินคนเหล่านี้ไม่ได้ย้อนกลับไปคิดไม่ได้สํานึกถึงบาปคุณอะไรแล้วแนวตรงนี้เราเราเร า, เราลองสังเกตว่าก่อนที่เศรษฐกิจของสบู่จะแตกระเบิดเปรี่ยนแป้ ง, ปงออกมาเนี่ยความคิดที่มันออกมาว่าคนเราต้องการ ร, รวยต้องโกงถ้าไม่โกงแกไม่ ร, รวยแอมมาได้ยินด้วยหูนี่ตั้งหลายครั้งพูดก็คนรุ่นใหม่แล้วก็รวยรวยแล้วนะฮะ คูน่าเฉยแต่เฉยยินยั้มจ้สายถามมาพูดเล่นหรือพูดจริงแกพูดจริงแกยินดานมาพูดจริงความคิดของคนกลุ่มนี้จะไม่สานึกถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรวัตถุจะเป็นตัวกาหนดอะไรให้แกทั้งหมดเลยเลยจะพูดยาก น, นะฮะจะพูดเขายากมากเขาตั้งหลักเอาไว้เนี่ย เราเรียนดีมีความรู้สูงเงินเดือนน่องมากแล้วก็รวยเร็วเห็นไหมครัความคิดเนี่ยจะให้ความสำคัญก่บตัวเองมาตบนปือตัวเองตบนปือตัวเองทนุถนอมตัวเองให้คนอื่นเป็นฐานให้ตัวเองได้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีมีฐานะบางครั้งร่ารวยเพราะในวัตถุนิยมเนี่ย ม, มันจะไม่มีทางตอบสนอง ความต้องการของคนแม้แต่เพียงคนเดียวได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ไม่มีไม่มีกรอบไม่มีหยุดการแสวงหาถ้าไม่พัฒนาจิตขึ้นไปนะแต่เห็นว่าแนวเนี้ยแทนท่านทัน้งสองท่านเนี้ยลาดาบาาตุตรกาลามคโยรุตกาบตรรามาบุตรเนี้ยที่จริงก็มาทางด้านจิตตนิยมคือไม่ให้ความสําคัญแก่โลกวัตถไุไม่ให้ความสําคัญแก่พวกวัตถุการม แล้วก็ท่านปะโญคีเองมันก็มีความโน้มเอยียงมาทางจิตานิยมแต่ว่าท่านก็ค่อนข้างจะสูตขั้วไปอีขั้วหนึ่งนะฮะนันพอประโพธิสัตว์ไม่ยอมเล่นไปทางทรมานพระวรากายเพราะว่าเกือบเป็นเกือบตายไปแล้วเนี่ยท่านก็หมดหวังโกรธผิดหวังด้วยนะฮะผิดหวังแล้วก็โกรธโกรธจนกลายเป็นความอาฆาตแค้นไปเลย ก็หนีทิ้งมาแล้วก็มาอยู่ซึไกลามากนะมาอยู่อิสิตัตนะมฤคธายวันจากขยามาเนี่ยก็สองร้อยกว่ากิโลสองรอยกิโลโดยการเดินนะฮะ ไ, ไม่ใช่ขับรถสึนโกลไม่ใหญ่สมบยุคสมัยตรงนั้นคือว่ามันหนีหนีสุดๆแล้วแหละหนีไกลามากแล้วนั้นแสดงว่าความเชื่อทั้งสองแนวเนี่ยคือนรําถ้าไม่เป็นไปตามเชื่อเนี่ยมันจะทุกข์กระสุ แล้วบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนไปมีส่วนอยู่เนี่ยมันจะเกิดความมาคาดพยาบาลก็ทาให้เราเห็นที่เราพูดกันนะบอกว่านักบวชเนี่ยทะเลกกาะกันเพระทิฐิชาวบ้านเนี่ยทะเลกการระกาันเพราะกรรมเพราะนักบวชมันจะหนักไปทางจิตนิยมชาวบ้านจะหนักไปทางวัตุนิยมเราตั้งใจด่ะเถียงก็ได้ตลอด ไม่ว่าในยุคใดสมัยใดหนังสือนังหาแม้แต่เวลาเนี้ยแม้แต่หมู่พระเองไงนะพระเองลองฟังดูะเทศเหมือนกับมากราศาสนาอะไรบางทีเนี่ยพู้เรื่องกรรมผู้เรื่องสังสารวัฏผู้เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยผู้เรื่องนิพพานพระเรื่องอัตตาณตาอะไรแต่ไรเนี่ยบางทีก็มาคนโลกเลยนั่นคือแนวของจิตตนิยมแล้วมันเถียงกันในด้านกติเิ ชาวบ้านมันโนมเองไปทางวัตถุนิยมเห็น ไ, ไหมชาวบ้านมาทะเลาะกันเงินบ่นไม่รู้จะเอาเท่าไหร่พูดเป็นแสนล้านพูดเป็นหมื่นล้านกินข้าวทีละคํำนะฮะขณะกินข้าวทีละค ำ, ะะะคำเพราะว่าพวกวัตถุนิยมเนี่ยจิตใจก็จะรู้จักเต็ ม, มรู้จักอิ่มไม่รู้จักพอดิฉันแสดงว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่ ม, ม, มเป็นทานตุของตาหา เพราะเรื่องราวเหล่านี้ที่จริงก็สะท้อนผ้าไปเห็นว่าไม่ได้ไปไหนนะมนุษย์มันก็อยู่ที่วัตถุนิยมด้วยจิตนิยมเพียงแต่ว่าทํำยังไงปรับมาอยู่ตรงกลางได้ไม่หนักไปซ้ายเกินไปซ้ายจากขวาจัดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยก็มาอยู่กลางๆแล้วสามารถประนีประนอมสามารถประสานประโยชน์สามารถหาจุดร่วมกันได้แม้จะแตกต่างแต่อย่าถึงก็แตกแยกกันเนี่ย ก็ไม่ได้ทิ้งอะไรทั้งสองฝ่ายนะะเราเห็นว่าจิต ก, ก็ยังอยู่วัตถุ ก, ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ามันมีการประสานประโยชน์ที่ลงตัวกันได้มันก็อยู่เป็นสุขกันได้ตามสมควรทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รมปภวิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี